มันเหมือนกับหน้ามือกับหลังเท้าเลยนะสิงคโปร์เนี่ยเนะมื่อ50ปีที่แล้วนี่สิงคโปร์นี่จนมากเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยนะทรัพยาก ร, กรก็ไม่มีตอนที่รีกวนยูเขาประกาศเอกราชนะจากอังกฤษนะสิงคโปร์มันเคยเป็นของอังกฤษนะเมื่อประมาณจนถึงปีเนี่ยสองพัน ห้าร้อยสี่ได้สองันหร้อยหกนะตอนที่สิงคโปร์เขาประกาศเอกราชจากอังกฤษเนะี่สิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะลีกวนันยูนี่เขาก็รู้ว่าประเทศเขาเนี่ยคงจะไปไม่รอดถ้าอยู่เดียวดายก็เลยไปขอไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย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 แทบทุกประเทศเลยนะเป็นประเทศที่คนเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ดูอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยร่ารวยน้ํามันนะแต่ว่าคนความรู้นี่มีน้อยเพราะว่าผู้ปกครองเขาคิดว่าในเมื่อหาเงินง่ายนี่นะเอาของไปขายเอาน้ํามันไปขายเอาแร่ธาตุไปขายเอาข้าวไปขาย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 แรงกดดันให้ต้องพัฒนาคนเพอะพัฒนาคนแล้วนี่มันก็ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาให้ความยากจนนี่มีข้อดีนะเหมือนกับเด็กเนี่ยประเทศกับคนนี่เหมือนกันนะคนที่ยากจนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นคล อ, อกกรรมนะมันมีข้อดีคือว่าทําให้เขาต้องรู้จักพึ่งตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องทําเองต้องลงมือทําเอง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 จะไม่รู้จักพึ่งตัวเองเท่าไหร่นะชอบแบงมือขออยากได้แล้วก็แบงมือขอขอพ่อขอแม่แม่ไม่ให้พ่อไม่ให้ก็โกรธคนอย่างนี้เนี่ยโตขึ้นก็จะพึ่งตัวเองไม่เป็นแล้วก็จะไม่สนใจศึกษาวิชาความรู้เพราะว่าไม่จำเป็นเนี่ยนะไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้นะเพราะฉะนั้นจะเรียนไปทำไมฉนั้นลูกคนรวยหลายคนก็เป็นประเภทว่าสติปัญญาไม่มีนะ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 เรียกว่าเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะเปลี่ยนคราะให้เป็นโชคนะนะพวกเราเนี่ยนะเราบางคนเกิดมาก็ยากจนนะเราก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะว่าไอความยากจนของเรานี่มันเป็นประโยชน์นะมันจะทำถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นนี่มันก็จะทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักพึ่งตนเองเก็บหอมรอมริบไดนะ้อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้หรือเปล่ามันมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กชายอายุ10ขวบนะเป็นเด็กญี่ปุ่นแกอยากจะฝึกวิชายูโดมากนะรู้จักยูโดั้ยนะ ก็ไปขอสมัครเป็นศิษย์จากอาจารย์ที่เก่งมากคนหนึ่งอาจารย์ก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเป็นศิษย์แกก็มีความเพียรพยายามมากก็ไปเฝ้าอยู่หน้าหน้าสำนักไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะเป็นวันเลยนั่งอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับเป็นศิษย์แล้วก็บอกกเด็กคนนี้ว่า เธอเป็นคนแรกนะที่ฉันยอมรับเป็นสิทธ์ทั้งๆ ท, ท, ที่แขนด้วนเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีแขนนะแขนข้างซ้ายหายไปพอประสบอุบปปัติเหตุตอนเด็กๆอันนี้คือผลที่อาจารย์ไม่ยอมรับเป็นสิทธ์นะแต่ว่าอาจารย์ก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจมากก็เด้รับแล้วก็บอกเด็กว่าบอกลูกศิษย์ว่า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 แล้ววันหนึ่งก็มีเทศกาลแข่งยูโดนะเด็กก็อาสานะสมัครไปแข่งด้วยตอนที่ไปแข่งเนี่ยพ่อแม่ก็ก็ทำใจแล้วนะว่าคงแพ้นะนะไปให้ไปให้กำลังใจลูกทั้งที่รู้ว่าลูกเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยแพ้พ่อแขนมีข้างเดียวบอกว่าชนะนะ เพราะว่าสามารถจะใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้ล้มลงผู้ต่อสู้ถ้าล้มนะก็แพ้นะก็ปรากฏว่าเป็นที่ตื่นเต้นนะมากนะเด็กก็มีกำลังใจแล้วก็แข่งลึกเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งในที่สุดนะเชื่อชิงชนะเลิศได้ไปเข้าชิงชนะเลิศคู่ต่อสู้นี่ เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วนะตัวก็ใหญ่กว่านะมีมือสองมือมีแขนสองแขนพ่อนี้ก็แม่ก็เตรียมและทำใจนะถือว่าลูกเข้ามารอบลึกขนาดนี้ก็เก่งแล้วแต่ปกว่าในที่สุดนะไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีแขนข้างเดียวนี่สามารถที่จะคว่มคู่ต่อสู้ได้ เด็กที่ไม่เชื่อเลยเนี่ยไปหาอาจารย์บอกว่าผมทำได้ยังไงเนี่ยขนาดชนะแล้วนี่ก็ยังงงนะว่าเราทำได้ยังไงนะอาจารย์ก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเธอถึงชนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยของเธอเนี่ยถ้าเขาจะเขาจะคว่มเธอเขาจะเหวี่ยงเธอเนี่ยเขาต้องใช้แขนข้างขวาเนี่ย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 ในบางสถานการณ์มันกลายเป็นจุดแข็งได้นะบางคนตัวเล็กนะบางคนพิการตัวเล็กก็ดีพิการก็ดีเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นนะเป็นจุดแข็งนะนะเป็นจุดแข็งตัวเล็กนี่ไวนะเมสซี่นี่ตัวเล็กไหมนะรู้จักเมสซี่หรือเปล่าอะรู้จักไหมเออตัวเล็กหรือตัวใหญ่เมสซี่เนี่ยนะ ตัวเล็กน ะ, ะเผด็จการ์อย่างอย่างสตาลินนะนะสตาลินนี่เป็นเผด็จการของรัเสเซียโอ้โหยิ่งใหญ่มากเมื่อห้าสิปีที่แล้วนี่ตัวเล็กตัวสูงกว่าหลวงพ่อแค่เซนสองเซนนั่นแหละนะแต่ว่าคนทั้งทั้งทั้งประเทศรัเสเซียนี่กลัวมากนโปลเลียนก็ตัวเล็กเติ้งเสี่ยวผิงประเทศจีนก็ตัวเล็กรู้จักเติ้งเสี่ยวผิงไหมประเทศจีนนะ่ะ พวนี้ตอนนี้ยังจําไม่ได้นะแต่ว่าโตขึ้นจะจะต้องจําให้ได้นะเพราะว่าสําคัญเอาคนตัวเล็กนี้เขาก็เขาจะไปเขาก็จะรู้ว่าจะไปเน้นพลังกำลังไม่ได้ก็ต้องไปเน้นที่สติปัญญาแทนแล้วก็ใช้สติปัญญานี่แหละทยานจนเป็นผู้นําประเทศอันนี้ไม่ใช่เฉพาะจุดอ่อนที่มันกลายเป็นจุดแข็งเท่านั้นนะรวมไปถึง เวลาเจอทุกข์นะเวลาเจอทุกข์เนี่ยอย่าไปมัวแต่เศร้าโศกเสียใจหรือโมโหนะมันมีประโยชน์เหมือนกันนะทุกข์เนี่ยนะทุกข์นี่มันสามารถเปลี่ยนเป็นสุขได้นะมีหลายคนนะที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาเจอความทุกข์เศรษฐีบางคนเนี่ย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 มันมีความสุขที่ประเสริฐกว่าความร่ํารวยนะก็คือสุขจากธรรมะสุขจากสมาธินะแล้วเขาก็เลยบอกนีขอบคุณนะที่ล้มละลายขอบคุณนะที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจนะเพราะว่าถ้าไม่เจอก็ไม่พบธรรมะเหมือนกับบางคนที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเนี่ย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 แนวพังนี่สมัยก่อนนี่มันเป็นแนวที่เรียกว่ า, าดังทีเดียวนะเขาก็ดังมาจนกทั่งเขายุหกสิบห้าบอกกัว่าวันนึงไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนแทนที่เขาจะเสียใจนะเขากลับดีใจนะใจนี่ฟูเลย พาเราว่าตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกมีชีวิตชีวามากมองเห็นต้นไม้มองเห็นทองฟ้านี่ดูมันสวยไปหมดเลยมันเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์มากเขาบอกว่าแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆลมเย็นๆที่พัดมากระทบหรือว่าก้อนหินที่เขาเหยียบแต่ละก้อนนี่ดูมันสวยไปหมดเลย คนที่พบว่าตัวเเป็นมะเร็งนะแล้วก็จะต้องตายภายในเก้าเดือนถึงสิบเดือนเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสรู้สึกมีชีวิตชีวาเพราะเขาพบว่าในเมื่อจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะไอ้ทุกสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็จะกลับเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาเพราะว่าต่อไปก็จะไม่ได้เห็นแล้ว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 เ็ษที่เดียวนะมันก็สามารถจะทาให้เราเนี่ยเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ได้ก่อนหน้านี้นี่วิโกโจอนสันที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าแต่พอรู้ว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานเนี่ยเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเกิดรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีโรคซึมเศร้าหายไปเลยเขาถึงกับบอกว่าเนี่ยทาไมพึ่งมา เพิ่งมารู้สึกแบบนี้ตอนนี้นะมันน่าจะรู้สึกมาก่อนหน้านี้ต้องนานแล้วเนีอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ของของของมะเร็งนะทั้งนั่นที่มันหมายถึงความตายที่อยู่ข้างหน้าตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เคยทาให้เขาเศร้าเสียใจวิตกกังวลหรือราคาญเนี่ยตอนนี้มันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเนี่ย มันคล้ายกับที่ที่สตีฟจ็อบส์นะสตีฟจ็อบซึ่งเป็นนะคนที่ประดิษฐ์ iPhone iPad iPod นะในรู้จักไหมไอโฟนอ่ะนะไอโฟนอะีทเนี่ยสนตะีฟจ็อบเนี่ยแหละฝีมือเขาแหละนะสตีฟจ็อบเป็นมะเร็งตับอ่อนเหมือนกันแล้วเขาก็พูดคล้ายๆกันว่าความเอธทยาน ความภาคภูมิใจความกลัวหน้าแตกกลัวล้มเหลวนะไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยไปเลยหรือว่าแทบจะไม่สําคัญเลยเวลานึกถึงความตายตเวลาเขานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไอความทุกข์ความเศร้าความกลัวหน้าแตกความกลัวล้มเหลวนี่มันมันละลายหายไปเลยคนเราเวลาพูดนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บอย่าช่นโรคมะเร็งเนี่ยดูมันน่ากลัว นะเวลาคิดถึงความตายมันชวนให้หดทูแต่ว่าประโยชน์มันก็มีนะมันทำให้เราเนี่ยเกิดความเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เราประสบสัมผัสทางน้่งที่แต่ก่อนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่งดงามสิ่งที่เคยทำในทางตรงข้ามสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์นะ มันก็ทําให้ทุกข์ไม่ได้ละเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยนะเมื่อเทียบกับความตายอันนี้เรียว่าทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นสุขได้นะเคราะเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นโชคได้ให้เวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะเจอเหตุการณ์ร้ายร้ายเนี่ยลองมองให้ดีนะมันมีประโยชน์นะแต่ว่า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 ผู้ชายคนหนึ่งนะเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมีชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อจอร์นโรเจอร์ชาววันนั้นอากาศดีนะเลยพาหมาเนี่ยออกมาเดินเล่นขายที่กาลังจูงหมาสบายใจอยู่ปรกากนมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาชนเขาผักเขาล้มลงทีแรกเขาเนึดว่าเป็นเพื่อนล้อเล่นแต่พอเหลือไปมองผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้จัก เพียงคนนี้นี่ไม่ใช่เพียงแค่ผลักเขาให้ล้มนะแต่อย่างเอามีดจ้วงแทงด้วยมีสปาต้านะแทงไปตามร่างกายแทงที่แขนที่ขาลำตัว4ี่สิบแผลนะแล้วก็ทิ้งเขาปล่อยให้เขานอนจนกองเลือดคงอยากจะให้เขาตายนะขาที่แต่ว่าโชคดีมีคนมาช่วยเขาพาส่งโรงพยาบาล จนกระทั่งเขารอดปลอดภัยตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นถูกจับได้ตำรวจสอบสวนก็ได้ความว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ30เนี่ยในช่วง10วันที่ผ่านมาฆ่าคนไปแล้ว3คนแล้วก็ทำให้อีก2คนบาดเจ็บสาหาัสนะหนึ่งใน2คนนั้นที่บาดเจ็บสาหัสก็คือตัวเขาเนี่แหละโรเจอร์ เหตุการณ์ที้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเครืองอะไรก็เลยนะผู้หญิงเขาเพียงแค่ไม่รู้ว่าเขาเป็นวิกฤจลิตหรือเปล่านนะก็แค่อยากจะแทงอยากจะฆ่าให้ตายพอจับผู้หญิงได้นะก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์โรเจอร์เนี่ยว่าตอนนี้จับผู้หญิงได้แล้วนี่คุณอยากมีอะไรอยากจะอยากจะบอกอยากจะถามเขาไหม โรเจอร์เนี่ยซึ่งเกือบตายนะเพราะไปยิงคนนี้แทนที่จะโกรธนะก็กลับพูดเพลงว่าอยากจะถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้กับผมทำไมต้องทำอย่างนี้กับผมผมอยากจะรู้ไม่ได้มีความโกรธเลยมีแต่ความอยากรู้ว่าทำไมถึงมาแทงเขานักขาก็ถามต่อไปว่าแล้วคิดยังไรนะกับเหตุการณ์นี้คิดว่ามันมันมีผลต่อชีวิตของคุณหรือเปล่า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 วันพรุ่งนี้นะพรพรุ่งนี้อาจไม่มีก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเขาได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์นี้คนบางคนนะเจอเหตุร้ายที่เบาวกว่า น, นี้แต่ว่าก็เอาแต่โกรธเอาแต่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขารู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นะใช้เหตุร้าย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 แล้วถ้าเกิดว่ามองละไไม่เห็นเลยนะมันก็ยังมีข้อดีอย่อยางหนึ่งนะคือดีที่ไม่ยากไปกว่า น, นี้นะเวลาสามัญนเนหรือว่าศิลจารณีทำเงินหายเนี่ยนะอย่าโมาแต่เสียใจนะต้องลองใคร่รลวดูว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างมันอาจจะสอนใจเราเตือนใจเราว่า ให้ระมัดระวังอย่าประมาทเวลาจะวางอะไรก็ให้มีสตินะเพราะบางทีมันไม่ใช่ว่าคนเอาไปแต่เป็นเพราะว่าเราวางไม่เป็นที่แล้วก็คนอื่นเขาก็เห็นเขาก็เลยเอาไปเน้นถ้าเรารู้จักใช้เหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยมาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทให้เรารู้จักระมัดระวังให้เราทำอะไรมีสติอันนี้ถือว่าเราได้กาไรนะ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 จะเป็นมะเร็งสมองนะรู้จักมะเร็งสมองไหมมะเร็งสมองนี่ก็มีโอกาสตายนะเกือบร้อยเปอร์ซนวันหนึ่งจิตอาสาไปเยี่ยมก็เห็นเด็กคนเนี้ผมนี่ร่วงหมดเลยเพราะว่าผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดเคมีมาแต่เด็กเนี่ยท้า น, นที่รั่วตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ว่า หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสว่างๆก็วาดรูปเล่นพอจิตอาสามาก็ชวนจิตอาสาคุยจิตอาสาก็แปลกใจทำไมเด็กพูดเด็กพูดคุยมันก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนคนปกตินะคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยปวดมากเลย โชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอจิตอาสาฟังและอึ้งเลยนะจิตอาสานี่เป็นอายุกระดับแม่หรือป้าของเด็กคนนี้นะแต่ว่าไม่สามารถจะคิดเหมือนเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้แทนที่จะตีโพลตีพายว่าทําไมฉันถึงต้องเป็นฉันมะเร็งสมองอายุแค่สิบสี่ปีเธอกลับมองถึงขั้นเห็นว่าโชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองเนีย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 นักเรียนหรือว่าสามเณรศิลจรณีเนี่ยถึงแม้เด็กก็ยังก็ยังทาแบบนี้ได้นะสามารถจะมองแบบนี้ได้นะเพราะว่าเรามีสติปัญญานะถ้าเรารู้จักมองบ่อยๆนะเราก็จะสามารถนะก้าวข้ามหรือผ่านไอ้ความทุกข์ต่างๆได้เรามาบวชเนี่ยนะ